โรคทุกอย่างหายด้วยอำนาจจิตอันหนึง่งการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั้นก็เพราะโดยธรรมดาการรักษาโรคโดยการรับประทานยาเข้าไปแล้วโรคหายนั้นความจริงก็เป็นการรักษาด้วยอำนาจจิตนั่นเองแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเรามองเห็นกันแต่เพียงว่าถ้าเป็นโรคอย่างนี้เราใช้ยานิทิไรโรคก็หายทุกที ฉ น, นั้นจึงเชื่อกันว่าโรคหายด้วยอำนาจของยาเช่นเดียวกับการที่เราจะบอกว่าคนเราเกิดขึ้นมาจากสิ่งลึกลับคือวิญญาณไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอาศัยพ่อแม่อย่างเดียวเพราะลำพังพ่อแม่ทำให้คนเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากวิญญาณยังไม่มาปฏิสนธิในท้องแม่ความจริงอย่างนี้คนทั่วไปมองไม่เห็นเรามองเห็นกันแต่เพียงว่าคนเราเกิดมาจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นความจริงที่มองเห็นง่ายและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพ่อแม่ไม่ได้มีส่วนสำคัญในการเกิดของคนเราและข้าพเจ้าก็ยอมรับอย่างเด็ดขาดทีเดียวว่าสำหรับในโลกมนุษย์นี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วคนเราก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แน่นอนพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีพระคุณอย่างสูงที่สุดในฐานะเป็นผู้ให้กาเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้การศึกษา และยังมีพระคุณอย่างอื่นอีกหลายอย่างมากมายเรื่องอย่างนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงและถ้าหากเราจะเข้าใจถึงเรื่องชีวิตเพียงแค่นี้มันก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับเราไม่ได้เรื่องของชีวิตเราจำเป็นจะต้องรู้ให้ตลอดสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าชีวิตได้กาเนิดมาจากวิญญาณ อำนาจของวิญญาณแผ่ซ่านควบคุมทุกๆเซลล์ในร่างกายความจริงอันนี้ต้องพยายามมองให้เห็นให้ได้และผู้ที่มองเห็นถึงความจริงในขั้นนี้เท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าแม้จะเห็นอยู่ชัดๆด้วยตาว่าโรคหายด้วยยาก็จริงแต่ความจริงแท้ๆนั้นก็คือโรคหายด้วยอำนาจของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในตัวยานั้นๆ น, น, นั่นเองอันที่จริง สำหรับคนที่ต้องการจะเข้าใจเรื่องการรักษาโรคดือํำนาจจิตนั้นจะต้องพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณในวัตถุให้เข้าใจจนกระทั่งยอมรับว่าในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณเพราะถ้าไม่ยอมรับความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่อาจที่จะรู้ว่าโรคหายดือออำนาจของวิญญาณนั้นเป็นไปได้อย่างไรแล้วเรื่องวิญญาณในวัตถุนี้ข้าพเจ้าก็ได้เคยเขียนมาม า, มากแล้วขอให้ย้อนไปอ่า น, นเรื่องวิญญาณในเล่มต้ น, ตน ซึ่งในที่นี้ภายหลังท่านรวบรวมเป็นหนังสือเรื่องวิญญาณคืออะไรและมีถึงสองเล่มลอาจาร์พรท่านยังอธิบายแทรกไว้ในหนังสืออีกหลายเล่มนะครับแต่อย่างไรก็ดีประเด็นที่สำคัญที่สุดจะต้องทำความเข้าใจให้ดีก็คือคุณสมบัติของวัตถุก็คืออำนาจของวิญญาณในวัตถุที่แสดงออกมาการศึกษาให้รู้ถึงสรรพคุณของตัวยาต่าง ก็คือการศึกษาให้รู้ถึงอํานาจของวิญญาณในวัตถุนั้นๆขอให้นึกถึงทฤษฎีขั้นมูลฐานซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสําเร็จมาแต่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามอํานาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตหรือวิญญาณทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ เป็นทฤษฎีขั้นมูลฐานซึ่งขพเจ้าได้อธิบายมาแล้วอย่างมากมายถ้าหากใครจะไม่เข้าใจว่าคุณสมบัติของวัตถุก็คืออันาจของวิญญาณในวัตถุก็เป็นเพราะไม่เข้าใจทฤษฎีขั้นมูลฐานดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้นถ้าหากใครจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับการรักษาโรคด้วยอํานาจจิตก็ขอให้พยายามไปศึกษาทฤษฎีขั้นมูลฐานเหล่านั้นให้ดีซก่อน อันหนึ่งจะต้องทําความเข้าใจให้ดีอีกว่าโดยสภาพของวัตถุนั้นเมื่อโครงสร้างผิดกันหรือคุณสมบัติในวัตถุผิดกันก็มาถึงสภาพของวิญญาณในวัตถุนั้นๆผิดกันและความเจ็บป่วยในร่างกายทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นถ้าพิจารณาจากแง่ของวัตถุก็หมายความว่าวัตถุที่ประกอบขึ้นเป็นอวัยวะส่วนนั้นๆไม่อยู่ในสภาพปกติเพราะฉะนั้น จึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องหาวัตถุที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะเข้ามาชดเชยคล้ายกับว่ากาแพงตรงนี้ทะลุเป็นรูเราก็ต้องไปหาอิดหาปูนอย่างเดียวกันเข้ามาชดเชยคือเอามาซ่อมแซมและต้องเป็นของชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วกาแพงตรงนั้นก็จะหายจากการเป็นรูและมีสภาพเหมือนเดิมร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน ที่เกิดความเจ็บป่วยนั้นก็เป็นเพราะมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นการกินอาหารการกินยาย่อมหมายถึงการนำสิ่งที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับที่เคยมีอยู่แล้วเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะไปชดเชยหรือไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอหรือส่วนที่ผิดปกติให้กลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมอันหนึ่งเราจะต้องเข้าใจกฎของไตรลักษณ์ข้อหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทุกอย่างและคำว่าสังขารเป็นทุกข์หมายความว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทุกอย่างจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งสามารถจะประหัดประหารหรือทำลายให้หมดสิ้นไปได้ในทานองเดียวกัน กับทิศทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อมีแม t t e r ก็ต้องมี Anti m a t ม e r อร์คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดความเจ็บป่วยฉะนั้นตามหลักไตรลักษณ์นี้จึงถือได้ว่าไม้ก็เป็นทุกเหล็กก็เป็นทุกขความคิดก็เป็นทุกขความสุขก็เป็นทุกคำว่าเป็นทุกในที่นี้หมายความว่า สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ดับได้สูญสิ้นได้เพราะมันจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับมันเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งคำว่าเป็นทุกนี้เรื่องไตรลักษ์มีความหมายดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายวันหนึ่งมันจะต้องเกิดโรคหรือเกิดความเจ็บป่วย และนั่นก็คือมันจะต้องมีสภาพผิดปกติไปจากเดิมและในเมื่อมันผิดปกติไปจากเดิมเพราะสาเหตุอะไรมันก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องแก้หรือทำลายสาเหตุอันนั้นได้เว้นไว้แต่ว่าเราจะยังค้นไม่พบหรือยังไม่รู้เท่านั้นและในบรรดาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนั้นถ้าคิดกันไปให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเป็นลงเอิในเรื่องของวิญญาณ ซึ่งสามารถสรุปได้เลยทีเดียวว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นเพราะวิญญาณที่ควบคุมอวัยวะส่วนนั้นๆมีสภาพผิดปกติไปจากเดิมและการที่จะแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีวิธีอยู่สองอย่างกล่าวคือ 1. การแก้โดยตรงคือมุ่งไปแก้ที่วิญญาณที่ควบคุมอวัยวะนั้นๆเลยทีเดียว 2. การแก้โดยทางอ้อมคือการใช้วัตถุที่มีสภาพใกล้เคียงหรือเหมือนกับวัตถุที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะนั้นๆเข้าไปชดเชยส่วนที่สึกหรอหรือผิดปกติไปการรักษาโรคโดยอาศัยอำนาจทางวิญญาณซึ่งเป็นการรักษาโดยตรงนั้นวิธีนี้จะใช้ได้ผลจริงๆก็ต่อเมื่อผู้ที่ใช้มีอานาจจิตสูงมาก คือต้องสูงพอที่จะสามารถบังคับวิญญาณในวัตถุหรือวิญญาณในเซลล์ให้เป็นไปนตามอำนาจของตัวเองได้แต่โดยธรรมดาคนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องได้อภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะมีความสามารถในการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตได้เช่นคนที่สามารถระลึกชาติได้ก็หมายถึงสามารถปรับปรุงวิญญาณในสมองให้มีคุณภาพพิเศษผิดไปจากคนธรรมดา ซึงในเมื่อวิญญาณมีอํานาจพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงเซลล์ในสมองก็มีโครงสร้างพิเศษเปลี่ยนไปตามด้วยและด้วยเหตุนี้จึงสามารถระลึกชาติได้หรือสามารถที่จะมีหูทิพตาทิพเกิดขึ้นและถ้าหากจะมีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถสร้างสมองเทียมหรือสมองวิทยาศาสตร์ให้มีโครงสร้างคล้ายกับสมองของคนที่ได้หูทิพตาทิพหรือคนที่ระลึกชาติได้สมองที่สร้างขึ้นมานั้น ก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้เหมือนกับคนหูทิพตาทิพย์อย่างนี้เป็นต้นแต่การกระทำอย่างนี้เรายังมองไม่เห็นทางว่าจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรอย่าลืมว่าโครงสร้างของวัตถุทุกอย่างย่อมขึ้อนอยู่กับโครงสร้างของวิญญาณในวัตถุนั้นๆคุณสมบัติของวัตถุก็คืออำนาจของวิญญาณที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆ ทฤษฎีอันนี้เป็นทฤษฎีขั้นมูลฐานผู้ที่ไม่เข้าใจถึงทฤษฎีอันนี้ก็จะมองไม่เห็นเลยว่าการรักษาโรคโดยใช้อํานาจจิตจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างไรเช่นในบางกรณีซึ่งเป็นเรื่องจริงคนบางคนเพียงแต่ดื่มน้ำมนโรคก็หายหรือใช้วิธีเสกเป่าหรือใช้เวทมนต์คาถาแล้วโรคก็หายและในบางกรณีแม้จะเป็นการรักษาในระยะไกล คือคนที่ป่วยกับคนที่รักษาอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เห็นตัวกันแต่ถึงกระนั้นคนที่มีอำนาจจิตสูงก็สามารถที่จะรักษาโรคบางอย่างให้หายได้ตัวอย่างเช่นนี้มีจริงจริงและในทางตรงกันข้ามบางคนอาจจะเคยได้ยินถึงการประทุษร้ายด้วยวิธีใช้เวทมนต์คาถาอย่างที่โบราณเรียกว่าบิดไส้บังฟันถูกคุณอย่างนี้เป็นต้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีอยู่แต่สำหรับในสมัยปัจจุบันตัวอย่างจริงๆหาได้ยากมากและการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตในรายที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็หาได้ยากมากข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าความเจ็บป่วยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในร่างกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นมีเชื้อโรคบางอย่างเข้าไปสู่ร่างกายหรือมีสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกาย หรือเกิดบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะอะไรก็ตามทั้งหมดย่อมเนื่องจากสาเหตุอันเดียวคือสภาพของวิญญาณที่ควบคุมอวัยวะนั้นๆไม่อยู่ในสภาพปกติความเจ็บปวดจึงได้เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเราพิจารณากันแต่เพียงจากแง่ของวิญญาณก็ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านควรจะรู้ทฤษฎีอีกอย่างหนึ่ง กล่าวคือถ้าโครงสร้างของวัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเนื่องมาจากเหตุอะไรก็ตามก็หมายถึงโครงสร้างของวิญญาณเปลี่ยนแปลงหรืออำนาจของวิญญาณเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นเอามีดกรีดไปที่เนื้อก็จะเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมานั่นหมายความว่ามีกําลังจากภายนอกซึ่งมีอํานาจเหนือกว่ากําลังที่มีอยู่ในอวัยวะนั้นๆเข้าไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นบาดแผลจึงได้เกิดขึ้นแต่สำหรับคนที่มีอำนาจจิตสูงเมื่อรู้ว่าจะมีของซึ่งมีคมผ่านเข้าไปในเนื้อซึ่งกาลังจิตตามปกติไม่สามารถที่จะสร้างความเหนียวแน่นหรือความต้านทานที่เกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเพิ่มอำนาจจิตลงในเซลล์ที่จะต้องถูกมีดให้มากขึ้นกว่าเดิมครั้นแล้วโครงสร้างของวัตถุคือเนื้อในบริเวณนั้น ก็จะมีความเหนียวแน่นเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนผลที่ได้รับก็คือมีดกรีดไม่เข้าในกรณีที่คนเราเกิดมามีอำนาจต้านทานต่อโรคภัยแค่เจ็บก็เหมือนกันอยู่ในกฎอันเดียวกันกันกบกฎตามที่กล่าวมาแล้วกล่าวคือสำหรับบางคนซึ่งวิ ญ, ญญาณมีคุณสมบัติพิเศษมาตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิเมื่อมาสร้างร่างกายก็จะสร้างขึ้นมาในรูปพิเศษ คนที่ได้รับก็คือมีความแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคภัยแค่เจ็บได้ดีคนบางคนที่เกิดมามีร่างกายอ่อนแอ ม, มาตั้งแต่เกิดเป็นคนขี้โรคเจ็บป่วยง่ายเวลาป่วยขึ้นมาแล้วก็รักษายากทั้งหมดที่ว่านี้ก็เนื่องมาจากวิญญาณที่สร้างร่างกายขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติไม่ดีพอและขอให้นึกไปให้กว้างถึงสัตว์ต่าง สัตว์บางอย่างกินอาหารอย่างนี้ได้แต่สัตว์อีกชนิดหนึ่งกินไม่ได้หรือสัตว์บางอย่างแม้จะมีเชื้อโรคที่ร้ายแรงเข้าไปก็ทำอันตรายแก่มันไม่ได้แต่สัตว์บางอย่างไม่มีเชื้อโรคอย่างเดียวกันเข้าไปในร่างกายก็จะเกิดเจ็บป่วยขึ้นทั้งหมดที่ว่านี้เราอธิบายกันว่าเป็นเพราะคุณสมบัติของน้าย่อยไม่เหมือนกันความต้านทานในร่างกายไม่เหมือนกัน แต่ไม่มีใครทราบว่าการที่มันต่างกันเช่นนั้นเป็นเพราะมีวิญญาณต่างกันอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตอันหนึง่งโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าการรักษาโรคโดยอาศัยอานาจทางวิญญาณไม่อาจจะทำได้ทุกอย่างแม้ว่าผู้ทาการรักษาจะมีอานาจจิตสง์ที่สุดเหมือนกับพระพุทธเจ้า ก็ไม่อาจจะรักษาโรคได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับพระพุทธองค์แม้จะเป็นสัพพันยูก็ไม่อาจจะสอนคนให้เป็นคนดีได้ทุกคนไม่อาจจะสอนคนให้บรรลุมรรคผลได้ทุกคนทั้งนี้เพราะยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงคือวิบากของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างมาการที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถจะสอนใครต่วใครให้เป็นคนดีได้ทุกคนนั้น ก็เพราะคนบางคนแม้พระองค์จะทรงแนะนําอย่างไรเขาก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ไม่อาจจะทาตามได้เพราะวิบากของเขาเป็นมาอย่างนั้นในกรณีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะทรงสอนเขาได้ในทํานองเดียวกันสภาพของวิญญาณที่มีอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตต่างๆนั้นบางอย่างก็มีความดื้อด้านมาก ไม่อาจที่จะรับอิทธิพลจากวิญญาณอื่นได้ซึ่งเปรียบเหมือนกับคนที่โง่มากที่สุดจะพูดจะแนะนำอย่างไรเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและด้วยเหตุนี้เองการรักษาโรคโดยอำนาจทางจิตจึงไม่ได้ผลยิ่งผู้รักษามีอำนาจจิตอ่อนด้วยแล้วแม้นยารายที่อาจจะรักษาได้โดยอานาจจิตก็ไม่อาจจะรักษาได้และคนที่มีอานาจจิตสูงจริง ก็หายากมากด้วยเหตุนี้จึงต้องหันไปใช้วิธีธรรมดาคือการรักษาโรคโด้วยการใช้ยาหรือโดยอาศัยวิธีการทางวัตถุเช่นการนวดการประคบการเข้าเฟือกการผ่าตัดอะไรทำนองนี้เป็นต้นเมื่อพูดถึงหลักเกณฑ์โดยทั่วๆไปแล้วการรักษาโรคจะได้ผลจริงๆต้องอาศัยวิธีทางวัตถุทั้งนี้ก็เพราะว่าวัตถุ ก, กับวัตถุ ซึ่งถ้ารู้จักเลือกเราก็จะพบว่าวัตถุบางอย่างเกื้อกูลกันเป็นประโยชน์ต่อกันเช่นวัตถุที่เป็นอาหารหรือยาประเภทบำรุงต่างๆและวัตถุบางอย่างก็เป็นปฏิปักษ์กันเช่นจำพวกยาพิษหรือยาที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้หรือทำลายพิษได้อย่างนี้เป็นต้นการรักษาโรคดยอาศัยวิธีทางวัตถุที่ว่าได้ผลดีกว่า ก็เพราะว่าถ้าเรารู้จักเลือกสรรวัตถุได้เหมาะสมอำนาจของวิญญาณในวัตถุอย่างหนึ่งจะมีผลหรือออกฤทธิ์ต่อวิญญาณในวัตถุอีกอย่างหนึ่งได้ดีกว่าที่จะใช้อำนาจจากวิญญาณชั้นสูงก็ไปเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเทียบเคียงที่เห็นได้ง่ายก็คือหมดที่เดินตามกันเป็นแถวแถวนั้นถ้าหากเราซึ่งเป็นมนุษย์จะบอกให้มันเดินไปทางนั้นหรือให้มันทําอย่างนั้นอย่างนี้จะเห็นได้ว่ายากที่จะทําได้ แต่ถ้าเราใช้มดที่เป็นหัวหน้าของมันนามันจะทำตามได้ง่ายกว่าเพราะโดยธรรมดาถ้ามดที่เป็นตัวหัวหน้าเดินไปทางไหนลูกน้องก็จะเดินตามไปทางนั้นตัวอย่างเช่นนี้คนที่ไม่ใช่เป็นนักคิดก็มักจะมองข้ามไปโดยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ให้ข้อคิดที่ดีมากคนฉลาดแนะนาคนโง่บางทีไม่ได้ผลก็เพราะสภาพจิตใจแตกต่างกันมาก ตรงกันข้ามคนโง่กับคนโง่แนะนำกันเขากลับทำตามกันได้ง่ายเพราะสภาพจิตใจใกล้เคียงกันด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าคนที่คบกันเชื่อฟังกันจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกฎอันเดียวกันนี้เองย่อมนําไปใช้ได้กับการรับประทานอาหารของบางอย่างที่เราถือว่าเป็นอาหารของเราได้นั้นก็เพราะวัตถุนั้น มีโครงสร้างเหมือนกันหรือคล้าย ก, กันกับโครงสร้างของเซลล์ต่างๆในร่างกายการรับประทานอาหารก็คือการชดเชยส่วนที่สึกหรอไปอย่าลืมที่จะนึกบ่อยๆว่าโครงสร้างของวัตถุย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวิญญาณเพราะฉะนั้นวัตถุที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันจึงมีอิทธิพลต่อกันหรือทดแทนกันได้นั่นหมายความว่า สามารถที่จะถ่ายวิญญาณจากวัตถุที่เป็นอาหารเข้ามาแทนวิญญาณหรือเข้ามาชดเชยวิญญาณที่ดับไปและทางพระพุทธศาสนาได้ถือเป็นหลักอย่างเคร่งครัดทีเดียวว่าวิญญาณมีการดับและเกิดใหม่อยู่เสมอทุกขณะเหมือนกับเปลวไฟซึ่งอันที่ดับก็เป็นอันดับไปอันที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าวิญญาณในเซลล์ต่างๆดับไปสูญสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วก็ได้ชดเชยมาใหม่ จากวิญญาณในวัตถุที่เป็นอาหารขอให้นึกถึงหลักชีว่าวิทยาที่รู้กันดีอยู่อย่างหนึ่งว่ากําลังงานทุกอย่างในร่างกายเกิดขึ้นจากการเผาผลาญและกําลังงานที่ว่านี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าโลหิตไม่ไปเลี้ยงสมองเพียงชั่วขณะเท่านั้น ความรู้สึกในสมองก็จะดับวูบไปทันทีคือเกิดอาการสลบหรือบางทีถ้าหยุดอยู่นานก็ถึงตายไปเลยเพราะเหตุที่วิญญาณในเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่อาจที่จะรับอิทธิพลจากวิญญาณขั้นสูงได้เสมอไปเหมือนกับคนที่ฉลาดไม่อาจจะสอนคนโง่ให้ฉลาดเหมือนกับตัวเองได้เสมอไปเพราะเหตุนี้การรักษาโรคด้วยการใช้ยาจึงจาเป็นอยู่เสมอ แม้แก่ผู้ที่ได้อภินยาซึ่งนับว่ามีอำนาจจิตสูงมากการใช้ยาก็จำเป็นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามงงัวงมงายที่จะรักษาโรคด้วยวิธีทางจิตอย่างเดียวเช่นการใช้น้ำมนต์หรือการเสกเป่าอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องนึกไว้เสมอว่าการรักษาโรคทางยามีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคทางจิตอย่างไร และเพราะเหตุไรการรักษาโรคทางจิตจึงมีผลทำให้โรคหายได้และเพราะเหตุไรอำนาจทางอยู่โยงคงกระพันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเหตุไรการทำร้ายการดูยอำนาจทางจิตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หลักวิชาต่างๆเหล่านี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยเพราะถึงแม้ว่าการรักษาโรคทางยาทำให้โรคหายได้ก็จริง แต่ก็ควรจะต้องใช้วิธีทางจิตเข้ามาประกอบด้วยเสมอเช่นควรจะรู้จักวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางจิตเพราะในบางกรณีคนไข้เป็นโรคอย่างเดียวกันใช้วิธีรักษาอย่างเดียวกันคนหนึ่งหายแต่อีกคนหนึ่งไม่หายเราจะได้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุไรและจะได้รู้จักวิธีแก้หรือตัวอย่างอีกอย่างหนึ่ง คนบางคนการกินอยู่ไม่ค่อยดีแต่ก็มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตรงกันข้ามกับอีกคนหนึ่งซึ่งมีความเป็นอยู่ดีมากปฏิบัติตามหลักอนามัยอย่างเคร่งครัดแต่เหตุการณ์กลับปรากฏว่ามีสุขภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์เจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆการวิเคราะห์ทางจิตจะช่วยทาให้การรักษาโรคได้ผลดีขึ้นและโดยเฉพาะในกรณีของการวิเคราะห์โรคโดยอาศัยวิธีทางจิตในระดับสูง ผู้ที่มีสมาธิถึงขั้นได้อภิญญานั้นจะสามารถบอกได้โดยไม่ผิดว่าคนคนนี้จะรักษาหายหรือไม่หายจะหายเมื่อไรหรือว่าจะต้องตายภายในระยะเวลาเท่าไหร่และควรจะรักษาด้วยวิธีไหนจึงจะได้ผลการวิเคราะห์โรคโดยอาศัยวิธีทางสมาธิขั้นสูงนี้จะทำได้ก็เฉพาะผู้ที่ได้อภิญญาเช่นสามารถระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้น การศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีรักษาโรคทางจิตอย่างลึกซึง้งประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆก็คือจะทำให้เขาผู้นั้นรู้แน่นอนถึงวิธีที่จะทาให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวตามความปรารถนาการศึกษาถึงเรื่องร่างกายและเรื่องโครคภัยไข้เจ็บตามวิธีทางแพทย์อย่างที่ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ต่อให้มีความรู้วิเศษสักเพียงไร ก็ไม่มีทางที่จะรู้ไปถึงต้นต่อว่าเหตุไรคนเราเกิดมาจึงมีโรคภัยแค่เจ็บไม่เหมือนกันและวิธีรักษาที่ได้ผลแน่นอนจริงๆนั้นไม่ใช่วิธีทางวัตถุเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนาได้รู้มานานแล้วว่าคนที่จะมีสุขภาพทางร่างกายสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพทางจิตดีมาตั้งแต่ชาติก่อนความทุกข์ซึ่งมีอยู่ในวิญญาณ น, นั่นแหละ คือต้นเหตุของโรภคภัยไข้เจ็บทุกอย่างความอ่อนแอซึ่งมีอยู่ในสันดานเช่นวิบากของความวิตกกังวลวิบากของความกลัวพวกจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ถ้าหากยังมีอยู่ในวิญญาณโรภคภัยไข้เจ็บจะต้องเกิดขึ้นได้เสมออย่าลืมว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้โรภคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเมื่อเกิดโรภคภัยไข้เจ็บแล้วก็รักษาง่าย หายง่ายสิ่งที่กล่าวนี้ก็คืออำนาจต้านทานซึ่งจะต้องมีมาตั้งแต่เกิดอำนาจต้านทานที่ว่านี้ถ้าจะพิจารณาในแง่ของวัตถุก็จะบอกได้ว่าได้แก่สารประกอบชนิดไหนบ้างแต่ถึงระนั้นก็อย่าลืมว่าพวกสารประกอบต่างๆซึ่งเป็นตัวการสำหรับต่อต้านโรคภัยแค่เจ็บนั้นก็ได้มาจากอาหาร ประเด็นสำคัญมีอยู่ว่าคนเราถึงแม้จะกินอาหารเหมือนกันหรือรับประทานยาประเภทบำรุงเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าอำนาจต้านทาน ท, านที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในร่างกายเหมือนกันขอให้วิเคราะห์ไปถึงชีวิตต่างๆทุกๆประเภทพืชก็ดีสัตว์ก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีทั้งหมดที่ว่านี้ต่างก็สร้างอำนาจต้านทานซึ่งได้มาจากอาหารที่รับเข้าไปสู่ร่างกาย ชีวิตบางประเภทถึงแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันซึ่งเราอาจจะอธิบายได้ว่าเป็นเพราะการย่อยไม่เหมือนกันโครงสร้างของร่างกายไม่เหมือนกันหรือเพราะอะไรก็ตามคำอธิบายที่ว่านี้ที่จริงก็เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่คาอธิบายที่สมบูรณ์ขอให้นึกถึงพระพุทธพจน์ ข้าพเจ้านำมากล่าวอ้างบ่อยที่สุดคือมโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณเขาได้โปรดพิจารณาบ่อยๆว่าโครงสร้างของเซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดจากโครงสร้างของวิญญาณวิญญาณคืออำนาจสร้างสรรค์และควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกาย เพราะฉะนั้นถ้าหากเราปรับปรุงสภาพของวิญญาณให้ได้มาตรฐานแล้วคนเราก็จะมีสุขภาพทางร่างกายดีที่สุดซึ่งตัวอย่างหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนี้หาดูได้ยากในโลกมนุษย์แต่ในโลกของโอป ป, ปาติกาแล้วข้อเท็จจริงอันนี้เห็นได้ชัดที่สุดจงจำไว้ว่าสุขภาพทางจิตคือต้นเหตุที่แท้จริงของสุขภาพทางร่างกาย มาเหตุผู้อ่านซึ่งในทางการแพทย์ปัจจุบันก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าจิต ท, ที่เป็นกุศลผ่องใสและการฝึกสมาธิมีจิตสงบไม่เครียดนั้นร่างกายจะซ่อมแซมรักษาตัวเองได้ง่ายกว่าจะตอบสนองต่อยาและการรักษาได้ดีกว่าภูมิคุ้งกันจะสูงกว่าระบบการทำงานในร่างกายก็จะทางานได้ดีกว่า